ปัญหาสาคัญเกี่ยวกับนิพพานหัวข้อหลักที่สองพระอระหันต์สิ้นชีวิตแล้วเป็นอย่างไรปัญหาสาคัญที่มากหนีไม่พ้นเมื่อพูดเรื่องนิพพานคือพระอระหันต์สิ้นชีพแล้วเป็นอย่างไรหรือว่าผู้บรรลุนิพพานตายแล้วเป็นอย่างไรยังมีอยู่ต่อไปหรือไม่ดังนี้เป็นต้น ความจริงปัญหาอย่างนี้ก็วนเวียนอยู่กับเรื่องอัตตานั่นเองกล่าวคือผู้ถามปัญหาอย่างนี้มีความรู้สึกติดอัตตาแฝงลึกอยู่ในใจเป็นแรงผลักดันและเป็นแกนสําหรับก่อรูปเป็นคําถามขึ้นความยึดติดในอัตตาหรือเรียกให้เต็มว่าความยึดมั่นวาทะว่ามีว่าเป็นอัตตาหรืออัตวาทุปาทานผู้สันส้นๆว่าทิฏฐิถืออัตตานี้ ฝังลึกและแน่นแฟ้นในใจของผู้ทุชนโดยมีภาวะตันหาคอยหนุนและอวิชชาเป็นฐานให้ในทางปฏิบัติเมื่ อ, อยังไม่ดำเนินตามวิธีแก้ไขที่ตัวเหตุคือทำลายอาวิชชาตันหาและอุปาทานเสียโดยตรงท่านจะไม่สนับสนุนให้มาถกเถียงเรื่องเช่นนี้คือต้องการให้รู้ด้วยธรรมในที่นี้คือด้วยการกระทานะครับคือต้องการให้รู้ด้วย ร, รม ไม่ใช่เอามาพูดเดากันไปการถกเถียงเรื่องนี้มีข้อเสียที่สำคัญคือไม่ว่าจะพูดกันอย่างไรความถือมั่นในอัตตาวาทะที่แฝงลึกซึ้งซึ่งยังถอนทิ้งไม่ได้นั้นจะทำให้มองคำตอบหรือคำชี้แจงเอียงไปณนะที่สุดข้างใดข้างหนึ่งเสมอคือถ้าไม่มองเห็นนิพพานเป็นความทิ้งแท้ยั่งยืนของอัตตาซึ่งเป็น ส, สตัตติฐิ ก็ต้องมองเป็นความขาดศูนย์ของอัตตาหรืออุเฉททิฏฐิซึ่งไม่ถูกต้องทั้งสองอย่างพวกที่ถือความเห็นขาดศูนย์ก็มองนิพพานเป็นความขาดศูนย์เข้ากับความเห็นของพวกตนซึ่งมองได้ค่อนข้างง่ายเพราะพุทธศาสนาเน้นการแก้ไขด้านที่คนติดพันลหลงไหลกันมากคือด้านการยึดถือที่จะให้ถาวรมั่นคง ซึ่งในเรื่องนี้มีพุทธพจน์ว่าความเห็นแบบวิภาวะทิฐิหรือขาดศูนย์นี้แม้จะเป็นมิจฉาทิฐิแต่ก็ใกล้พุทธศาสนามากกว่าทิฐิอย่างอื่นพวกที่ถือความเห็นเที่ยงแท้ ย, ยั่งยืนนั้นเมื่อถูกปฏิเสธเรื่องอัตตาก็เที่ยวมองหาภาวะอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะเข้ามาทดแทนช่วยเติมหรือสนองความขาดแคลนอัตตาหรือหล่อเลี้ยงอัตตาไว้ให้คืนคง เมื่อได้รับคําสอนให้ถอนความยึดอัตตาไปแล้วก็เหมือนสูญเสียอัตตาไปพอพูดถึงนิพพานก็จึงได้โอกาสเหนียวเอานิพพานเป็นที่พึ่งที่ฝากอัตตาเอาไว้บางก็ขยายนิพพานเป็นชีวิตนิรันดรตลอดจนเป็นมหานครเมืองแก้วท่านผู้ประเสริฐมีปัญญาเลิศทั้งหลายแม้ว่าจะผ่านพ้นความยึดติดถือมั่นอะไรอะไรมามากมายจนจะหมดอยู่แล้ว ก็มาติดเยื่อใยสุดท้ายกันอยู่ที่นี้หากพ้นใหญ่ขายนี้ไปได้ก็จะเป็นอิสระได้โดยสมบูรณ์แต่ทางธรรมะก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องยากเหลือเกินท่านจึงเรียกความยึดติดอย่างละเอียดนี้ว่าเป็นพร ม, มชาละแล้วว่าข่ายดักพรมหรือที่ติดข้องของบุคคลชั้นเลิศคือผู้มีคุณธรรมและปัญญายดยิ่งแล้วยังไม่อาจรอดพ้นไปได้ ด้วยเหตุนี้เพื่อผ่อนเบาความหมกมุ่นรุ่นคิดในการหาความจริงเกี่ยวกับนิพพานโดยเชิงเหตุผลและการถกเถียงแบบปรชัชญาท่านจึงมักล่าวถึงนิพพานแต่ในเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับชีวิตจริงหรือประโยชน์ที่จะได้รับในชีวิตประจำวันดังคําสอนเกี่ยวกับนิพพานที่ปรากฏโดยมากในพระไตรปิฎกนอกจากนั้นมีข้อที่ต้องย้าไว้เสมอ เพื่อป้องกันความคิดเลยเถิดไปคือย้าว่าการปฏิบัติเกี่ยวกับนิพพานก็ดีนิพพานก็ดีไม่ใช่เรื่องของการดับอัตตาหรือทำลายอัตตาเพราะไม่มีอัตตาที่จะต้องไปดับหรือไปทำลายสิ่งที่จะต้องดับหรือทำลายคือความยึดมั่นในอัตตาหรือภาพอัตตาที่สร้างขึ้นมายึดถือไว้ ชาวตะวันตกที่ศึกษาเรื่องนิพพานไม่ตลอดมักสรุปว่านิพพานเป็นการดับอัตตาหรือสูญสิ้นอัตตาซึ่งเป็นความคิดแนวอุเชทาทิฏฐิดังที่เคยอธิบายและยกตัวอย่างหลายครั้งที่ท่านเรียกพระอาหารหันต์ว่าผู้ละอัตตาหรืออัตตัญชะหะเป็นต้นนั้นเป็นการใช้คําที่สะดวกในการเรียกขานอย่างเช่นในคําประพันธ์โดยรู้กันว่าละความยึดมั่นในเรื่องอัตตา แม้ที่กล่าวในที่หลายแห่งว่าเสริมขยายอัตตาบ้างความมั่นคงของอัตตาบ้างว่าอัตตาอย่างนั้นอย่างนี้ต่างๆก็พึงเข้าใจว่าเป็นสำนวนพูดอย่างรู้กันเพื่อความสะดวกโดยที่ว่าอัตตาหมายถึงภาพอัตตาที่สร้างขึ้นหรือความยึดมั่นในอัตตาที่สร้างขึ้นนั่นเองผู้ในเข้าเชิญวิชาการมากขึ้นว่าดับความถือมั่นในวาทะ ว่ามีว่าเป็นอัตตาหรือดับทิฏฐิว่ามีว่าเป็นอัตตาตลอดจนถอนสัญญาว่ามีว่าเป็นอัตตาเสียนิพพานคือความดับความยึดมั่นดับความเข้าใจผิดนี้และดับทุกดับปัญหาที่เนื่องมาจากความยึดติดถือมั่นเช่นนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าตัดความเยื่อใยอยากมีอัตตาทิ้งเสีย ทฤษฎีเกี่ยวกับอัตตาทั้งหลายก็หมดความหมายไปเองดับอุปาทานคือถอนความยึดมั่นในอัตราเสียเท่านั้นก็จะเห็นโลกและชีวิตหรือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่มันเป็นไม่ต้องมาเสียเวลาคิดคาดคาเนสร้างทฤษฎีอัตราใดๆให้วุ่นวายพอดับความยึดมั่นที่ทำให้เกิดมีอัตราแล้วอัตราก็หายไปเองนิพพานคือดับทุกข์ หรือพูดขยายออกไปว่าดับความยึดมั่นถืออัตตาคือดับอุปาทานที่ยึดถือว่ามีว่าเป็นอัตตาที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั้นเสียไม่ต้องดับอัตตาเพราะไม่มีอัตตาที่จะให้ดับขอให้นึกถึงพุทธพจน์ว่าเราสอนแต่ทุกข์และความดับทุกข์เท่านั้น ในการพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับภาวะหลังสิ้นชีพของพระอรหันต์นี้จะไม่แสดงความเห็นในส่วนเนื้อหาให้เยินเยอแต่จะนำเอาพุทธพจน์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มาให้พิจารณาดูเองพุทธพจน์เกี่ยวกับความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องอัตตาความยั่งยืนและความขาดศูญซึ่งไม่ถูกต้องจัดเป็นที่สุดสองด้าน พุทธพจน์นี้จะช่วยให้เข้าใจความหมายของภาวะ ต, ตันหาและวิภาวะ ต, ตันหาได้อย่างชัดเจนด้วยภิกษุทั้งหลายเทพและมนุษย์ทั้งหลายถูกทิฏฐิสองจำพวกเข้ากรองใจแล้วพวกหนึ่งติดล้าอยู่พวกหนึ่งวิ่งเลยไปส่วนพวกที่มีตาจึงมองเห็นภิกษุทั้งหลายพวกหนึ่งติดล้าอยู่ เป็นอย่างไรกล่าคือเทพและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้มีภพเป็นที่ยินดีรื่นรมในภพ บ, บันเทิงในภพคือภาวะเมื่อตถาคตแสดงธรรมเพื่อความดับแห่งภพคือภาวะนิโรธจิตของเทพและมนุษย์เหล่านั้นยอมไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งแนวลงไม่น้อมดิ้งไปพวกหนึ่งติดล้าอยู่อย่างนี้ สูตรทั้งหลายพวกหนึ่งวิ่งเลยไปเป็นอย่างไรกล่าวคือคนพวกหนึ่งอึดอัดประอารังเกียจอยู่ได้พบนั่นแหละถึงพร่ำชื่นชมวิภพคือวิภวะหมายถึงความปราศจากภพความขาดศูนย์ถึงพร่ำชื่นชมวิพวภวว พ, ว, พ, ว, พว่านี่เนี่ยท่านเอย๋ยในยะว่าหลังจากร่างกายแตกทำลายตายไปแล้วอัตตานี้ก็จะขาดศูนย์ หายสิ้นคือพินาศหลังจากตายจะไม่มีอยู่อีกเนี่ยหละคือภาวะสุดประเสริฐหรือสันตะเนี่แหละคือภาวะดีเยี่ยมคือปณีตะเนี่แหละคือภาวะที่เป็นของแท้คือยาทาวะพวกหนึ่งวิ่งเลยไปอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายพวกที่มีตาจึงเห็นเป็นอย่างไร กล่าวคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมมองเห็นสภาพพบ้วยความเป็นสภาพพบคือเห็นตามสภาวะเป็นจริงครั้นเห็นสภาพพบ้วยความเป็นสภาพพบแล้วย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อหายติดคือนิพิทาหมดความไครคือวิราคะเพื่อนิโรธแห่งสภาพพบนั้นส่วนพวกที่มีตาจึงมองเห็นอย่างนี้ และมีคาถาสรุปว่าผู้ใดเห็นสภาพพบโดยความเป็นสภาพพบและเห็นภาวะที่ล่วงพ้นสภาพพบผู้นั้นยอมน้อมใจดิ่งไปในภาวะที่เป็นจริงเพราะหมดสิ้นภาวะตันหาถ้าเขารู้เท่าทันสภาพพบเขาจะเป็นผู้ปราตันหาทั้งในพบและอาพบเพราะความหมดพบแห่งสภาพพบภิกษุทั้งหลายจะไม่มาสู่พบ อ, อีก คำว่าสภาพพบแปลจากภูตะแปลตามสัพท์ว่าสิ่งที่เป็นแล้วสิ่งที่มีที่เป็นหรือสิ่งที่เกิดมีเกิดเป็นแล้วเป็นรูปสั์หนึ่งที่มาจากธาตุเดียวกับภวะหรือพบนั่นเองอัตถกถาว่าหมายถึงขันห้าส่วนที่เป็นคถาคือตอนท้ายได้แปลไปตามข้อความและรูปศั์เท่าที่มีในบาลี และเห็นว่ารับกับความตอนต้นในบาลีนั้นเป็นอย่างดีแต่ในอัถกถาท่านไขความให้แปลกถานั้นต่างออกไปดังนี้อริยส า, าวกใดมองเห็นขันห้าตามความเป็นจริงและเห็นมกักอันเป็นเครื่องก้าวล่วงขันห้าผู้นั้นย่อมน้อมใจดิ่งไปในนิพพานที่เป็นสภาวะจริงแท้เพราะหมดสิ้นพวตันหาถ้าภิกษุรู้เท่าทันขันห้า เป็นผู้ปราดจากตันหาในพบน้อยพบใหญ่รอขันห้าปราดไปเธอย่อมไม่มาสู่พบอีก